พระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญานสาังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกตำแหน่งท้าวสักกะพระอินท์เรื่องตำแหน่งท้าวสักกะหรือพระอินท์เป็นตำแหน่งราชาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นยังได้อ้างใน วิสัยหิชาดกอัตถกถาเล่าเรื่องเท้าส ก, กะในสมัยด็กดำบันก่อนพุทธกาลนานไกลแต่เท้าส ก, กะองค์นี้ดูจะหวงตำแหน่งอยู่มากจนถึงเกรงว่ามนุษย์ผู้ตั้งหน้าทำความดีคิดจะแย่งตำแหน่งความย่อมีว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งในกรุงพาราณสีชื่อว่าวิสัยหะเป็นคนใจบุญถือศีลห้ามีอัธยศัยยินดีในฐานการบริจาคตั้งโรงทานที่ประตูเมืองทั้งสี่ ที่กลางเมืองและที่นิเวศของตนสละทรัพย์บริจาคฐานมีจำนวนมากมายทุกๆวันร้อนถึงเท้าสักการเทวราชนี้เป็นสำนวนไทยส่วนสำนวนมครคว่าพบของเท้าสักกาวันไหวด้วยอนุภาพฐานท่านบรรทุกกรรมพลจิราอาจของเทวราชแสดงอาการร้อนเท้าเธอทรงสอดส่องค้นหาว่าใครหนอที่จะทำพระองค์ให้เคลื่อนจากฐานะหรือตาแหน่ง ก็ได้ทรงเห็นเศรษฐีผู้บริจาคทานเป็นการใหญ่ซึ่งชล่อยว่าจะหวังให้ทานนี้ทรงผลให้พระองค์ลุกจากตําแหน่งแล้วขึ้นมาเป็นเท้าสักกาเสเองจําที่พระองค์จะบันดาลให้ทรัพย์สินของเศรษฐีนั้นหายไปให้หมดให้เศรษฐีกลายเป็นทุกขะเข็นใจไม่มีอะไรจะทําทานต่อไปได้เท้าเธอทรงดําริอย่างนี้แล้วก็ทรงบันดาลให้ทรัพย์ทุกอย่างตลอดถึงาธาตกรรมกร่อนผู้คนทั้งปวงของเศรษฐี อันประทานไปทั้งสิ้นไม่มีเหลือสักสิ่งหนึ่งสักคนหนึ่งผู้จัด ก, การทานจึงมาแจ้งให้เศรษฐีทราบฝ่ายเศรษฐีไม่ได้ทราบดังนั้นก็สั่งให้ภริยาค้นหาสิ่งอะไรที่จะทํา ท, ทานทั่วบ้านก็ไม่มีอะไรให้เปิดคลังค้นหาก็ไม่พบอะไรว่างเปล่าไปทั้งนั้นเศรษฐีก็ไม่ยออ่อท้อที่จะทําทานให้จงได้จึงชวนภริยาคว้าเขียวตะกร้าและเชือก ที่บังเอิญมีคนตัดหญ้าขายคนหนึ่งมาทิ้งไว้ตรงไปที่ดงหญ้าช่วยกันเกี่ยวหญ้าไปขายได้ซั์มาแล้วก็ทำทานแก่ยาจุกวนิพกผู้มาขอจนหมดทรัพย์ที่ได้จากการขายหญ้ารื่อมาเป็นเวลาหลายวันเศรษฐีเป็นคนสุขุมมารชาติเคยสุขสบายเมื่อต้องมาตรากรัมทำงานเป็นกรรมกรและอดอยากก็หมดกำลังลงทุกทีแต่ก็ใจแข็งมีความตั้งใจแรง อดทนเกี่ยวยหญ้าขายทําทานติดต่อกันไปได้จนถึงวันที่เจ็ดก็เป็นลมล้มฟุบลงบนกองหญ้าฝ่ายท้าสั ก, กะได้ทรงเฝ้าติดตามสังเกตดูอยู่ทรงเห็นว่าเศรษฐีไม่ยอมเลิกทําทานด้วยวิธีที่ทรงบันดาลให้ทรัพยหายไปนั้นแน่จึงทรงบันดาลให้เศรษฐีได้เห็นพระองค์ลอยอยู่ในอากาศในขณะนั้นตรัสขึ้นว่าก่อนแต่นี้เศรษฐีได้ให้ทานจนซึ่งเนื้อประดาตัวทว่าต่อแต่นี้ไป จะไให้ทานเก็บรวบรวมไว้ก็จะตั้งโพโขสมบัติขึ้นได้เศรษถีถามทราบว่าเป็นเท้าสักกะแทนที่จะตื่นเต้นเชื่อฟังกลับคิดหมิ่นว่าจะไหนเท้าสักกะซึ่งขึ้นไปเกิดเป็นเท้าสักกะได้เพราะความดีจึงมาห้ามให้ทําความดีจึงได้กล่าวตอบยืนยันว่าวงบันดิตกล่าวว่าอริยชนคนเจริญแม่ยากแค้นแสนเข็ญก็ไม่ทําอนาริยกรรมคือกรรมที่ไม่ใช่ของคนเจริญ คือกรรมที่ไม่ดีเช่นเท้าสักกามาห้ามความดีของเขาก็เป็นการทําไม่ดีเหมือนกันอย่าให้มีทัพย์ที่เป็นเหตุให้สละศรัทธาบริจาคขึ้นเลยทีเดียวทางที่รถคันหนึ่งเล่นไปได้ก็เป็นทางที่รถอีกคันหนึ่งแล่นไปได้เหมือนกันทานศีลเป็นทางไปสวรรค์เท้าสักกาไปได้เศรษฐีก็ไปได้เหมือนกันก็ให้วัดหรือข้อปฏิบัติเก่าแก่ที่ฝังลงเป็นรากฐานของแผ่นดินแล้วคือฐานวัดนี้ จงสถิตเป็นวัดต่อไปเถิด อ, อย่าถอนรากฐานของแผ่นดินออกเสียเลยแผ่นดินจะถลม่มฟ้าก็จะถล่มลงด้วยผิว่ามีทรัพย์ก็จักให้ต่อไปเมื่อไม่มีก็จะให้อะไรๆแม้เป็นทุกขตะอย่างนี้ก็จักให้ อ, อ, ย, หอย่าประมาททานเลยท้าวสักกะเมื่อไม่อาจห้ามได้จึงตรัสถามความประสงค์ที่ให้ฐานนั้นเศรษฐีนั้นเป็นพระโพธิสัตว์จึงตอบว่า ตนไม่ได้ปรารถนาจะเป็นเท้าสักกะมิได้ปรารถนาจะเป็นพรมแต่ปรารถนาจะเป็นองค์พระสัมพันธ์อยู่พุทธเจ้าในอนาคตเท้าสักกะได้ทรงสดับแล้วพอพระหฤทัยทรงรูปหลังของเศรษฐีด้วยพระหัตเศรษฐีก็กลับมีสกลกายบริบูรณ์อิม่มเอิบแข็งแรงในขณะนั้นทรัพย์สมบัติทั้งปวงที่อันตรธานไปก็กลับปรากฏขึ้นเหมือนอย่างเดิมด้วยสักการุภาพเท้าสักกะให้ประทานทรัพย์นับไม่สิ้นสุดให้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 ก็อาจถูกคนดีด้วยกันที่เขาคิดว่าจะเอาความดีไปเสียคนเดียวหรือคิดว่าจะแย่งดีแย่งชื่อเสียงหรือสยาขัดขวางเอาได้จึงต้องอาจประจนคนดีด้วยกันอีกก็ได้ถ้าไม่ย่อท้อถอยหลังเสียรักษาแนวดีของตนไว้ให้มั่นไม่หุนหันพลันลั่นว่าเขาเป็นศัตรูไม่ด่วนเร่งที่จะให้ผลผลิตก่อนฤดูกาลก็จะเป็นผู้ชนะชนิดไม่มีใครแพ้ในเมื่อความดีนั้นปรากฏว่าไม่เป็นอันตรายแก่ใครไม่เป็นของจำเพาะใคร แต่เป็นความดีที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนเป็นสาธารณแก่ทุกคนไม่มีใครต้องเสียตําแหน่งความดีไปในสุดทาพุชนะชาดกได้เราถึงพระอินทอีกองค์หนึ่งในสมัยเก่าก่อนพระอินทในสมัยพุทธกาลซึ่งได้เคยเป็นมค ะ, ะมานพในชาติก่อนแต่ได้เกิดเป็นพระอินท์พระอาจารย์เล่า ว, ว่าพระอินทองค์อดีตนี้ชาติก่อนเป็นเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีได้ทําทานรักษาศีลโดยเฉพาะได้ทานอย่างมากมาย ทำกาลกิริยาหรือตายแล้วไปเกิดเป็นพระอินทร์หรือเท้าสักกะเทวราชครองสวรรค์ชั้นดาวดิ่งเท้าเธอมีพระธิดาสี่องค์มีพระนามตามลำดับว่าอ า, าสาศราสิรีหิรีวันหนึ่งพระธิดาทั้งสี่องค์ได้ชวนกันเก็บดอกไม้ทิพมีกลิ่นหอมร้อยเป็นมาลาประดับองค์พากันไปยังสระอนดะเพื่อเล่นน้านั่งพักอยู่บนแผ่นมโนศิลมามขณะนั้นพนารธาดาบท ได้ถือดอกปริชาตแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงผ่านมาโดยถือกั้นเป็นอย่างร่มพระดาบดองค์ น, นี้ออบูตจากสกุลพรามบำเพ็ญพลดใหป่าหิมะวันจนมีเมหิตที่อำนาจขึ้นไปพักบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เทพิดาทั้งสี่องค์มองเห็นดอกปริชาตที่พระดาบดถือมาก็ร้องขอจากพระดาบดเหมือนอย่างขอจากเทพิดาของตนพระดาบด์ตอบว่าองค์ดาบด์เองไม่มีความต้องการห่วงแหนดอกไม้ทิศนี้ แต่ก็จะให้แก่เทพธิดาองค์ที่ประเสริฐที่สุดฉะนั้นองค์ใดประเสริฐที่สุดก็ขอให้องค์นั้นมารับดอกไม้ทิพนี้ได้เทพธิดาทั้งสี่ขอให้พระดาบดเป็นผู้เลือกให้เองพวกตนไม่สามารถจะเลือกกันเองได้พระดาบดกล่าวว่าไม่ใช่กิจของสมณะบรรพชิตจะเป็นผู้เลือกอย่างนั้นจะเลือกองค์หนึ่งองค์อื่นๆก็จะน้อยใจครึ่งเคียดจะเกิดวิวาสบาดหมางจึงขอให้ไปทูลถามพระภูตาธิปะหรือ ผู้เป็นยาแห่งผู้ทั้งหลายซึ่งเป็นพระบิดาของตนเองเถิดเทพธิดาทั้งสี่ไม่ได้ดอกไม้ไม่ได้คะแนนว่าเลิศจากพระดาบดก็โทมนัดต่างองค์ก็คิดว่าตนนั่นแหละเลิ่ก็พากันไปฝ้าพระอินท์ให้ทรงชี้ขาดพระอินทก็ไม่ยอมชี้ตรัดไกลเกลียวว่าคล้ายๆกันทั้งสี่องค์จะว่าใครดีกว่าใครให้ทะเลาะกันอย่างไรได้ยังมีพระดาบดรูปหนึ่งชื่อโกศิยะตั้งอาสมอยู่ที่ฝั่งแม่น้ําคงคา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 เป็นำถาสุภาโพ์ไปวางในมือของโกศยดาบทในเวลารุ่งอรุณพระดาบทมองเห็นสุภาโพธสวรรค์มีสีขาวมนสังสะอาดมีกลิ่นหอมไม่มีอาหารอะไรที่เคยเห็นจะปรีบเทียบได้คิดสงสัยว่าบางทีพระอินทร์จะประทานลงมากระมังแต่ว่าใครเป็นผู้นำมาเพราะมาตรีจึงได้ปรากฏที่พยากายกล่าวแก่ดาบทว่าองค์สักกรินเทวราช ได้มีเทศบัญชาให้ตนนำสุธาโพธมาถวายขอให้พระดาบทฉันสุภาโพธนี้ซึ่งเลื่อกว่าพัดทุกอย่างอย่าได้ห้ามเสียสุธาโพธนี้มีคุณกำจัดโทษได้ถึงสิบสองประการคือหนึ่งความหิวสองความกระหายสความไม่ยินดีสความกระวนกระวายหความเหน็ดเหนื่อย 6. ความโกรธเจความผูกใจโกรธ 8. ความวิวาท9ความส่อเสียด สิความหนาวสิอความร้อนสิงอสงความเกียร์ครานโกศยดาบดได้กล่าวแก่พระมาตลีว่าท่านได้ถือเครื่องในวัดอยู่ข้อหนึ่งว่าจะไม่ฉันเองก่อนที่จะแบ่งให้แก่ใครเพราะท่านได้เห็นว่ามีความเลวอยู่หประการตามสุภาษิตที่ระบุถึงความเลวในตัวพฤติกรรมหรือผู้ประกอบพฤติกรรมนั้นเองดังต่อไปนี้ 1. การกินผู้เดียวพระอริยะเจ้าไม่นับถือบูชาสอง คนไม่แบ่งพักให้แก่ผู้อื่นย่อมไม่ได้ความสุขสคนเป็นชู ด, ด้วยภริยาของผู้อื่นชื่อว่าเป็นคนฆ่ายิง 4. คนดาสมณัชีพราหมผู้มีศีลวัดอันดีชื่อว่าเป็นคนประทุสรายมิตรหคนตรนีเหนียวไม่เฉลี่ยเพื่อแผ่คนอื่นบ้างเลยเลวเป็นข้อที่ห้าฉะนั้นท่านจะต้องแบ่งให้แก่ใครอื่นจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามก่อนแล้วจึงจะฉันทำได้นั้นพระธิดาทั้งสี่องค์ของพระอินทร์ ก็ได้พากันมาถึงองค์ศิริได้ยืนทางทิศบูรพาองค์อาสาได้ยืนทางทิศทักศิลองค์ศัตธาได้ยืนทางทิศปัดฉิมองค์เีรีได้ยืนทางทิศอุดรโกศยดาบทได้ทักถามองค์ที่ยืนทางทิศบุรพาก่อนองค์ศิริผู้ยืนทางทิศนั้นได้ตอบแนะนําตนพระดาบทก็ได้วิจารณ์และก็ได้ทักถามองค์อื่นต่อไปด้วยวิธีนี้จนครบทั้งสี่อง สรุปคำวิจารณ์ของกสยดาบทในธิดาพระอินทร์สี่องค์ดังต่อไปนี้องค์ศรินั้นคือสิริคบหาคนดีเมื่อปรารถนาสุขแก่ใครคนอื่นใครคนนั้นก็บันเทิงด้วยสุขสมปรารถนาทุกอย่างแต่สิริไม่เลือกอนุกูลคนบางคนมีศิล ป, ปะวิทยาดีมีความประพฤติดีภาคเพียนทำการงานของตนอย่างเงือไหลใครย้อยแต่ศริก็ไม่อนุกูลเขาเขาก็ต้องขัดสนจนยากแต่บางคน ไม่มีศิละปะวิทยาอะไรดีรูปร่างวิปริตชั่วชาติเกียรติร้านกินจุสิริก็ไปอนุกูลเขาให้มั่งมีสีสุขเขาก็ใช้คนที่มีสกุลชาติได้เหมือนพาดเรือนเบีย้ยสิริจึงไม่รู้จักเลือกคนที่ควรและไม่ควรจะครบเลยที่ว่าสิริคบหาคนดีๆนั้นจึงหาได้หมายความว่าคนดีจริงๆไม่โดยที่แท้ไปดูกันที่ทรัพย์รวยทรัพย์ก็ว่าดีแล้วเป็นการทับถมมาให้คนมองเห็นคุณของสุจริตธรรมในโลกสิรินี่เอง มีส่วนให้เป็นดังนี้ไปได้จึงไม่เป็นที่ชอบใจแก่โกศยดาบทไม่ควรจะได้สุทาพูดเมื่อสิริถูกวิจาร์ในทางเสียและถูกปฏิเสธก็อันตรธานวับไปในที่นั้นองค์อาสานั้นอาสาก็คือความหวังทําให้คนผู้หวังในความหวังลําบากม า, มามากมายนักแล้วทําให้รบราข้าฟันกันด้วยความหวังจะเป็นเจ้าเป็นใหญ่ชนะแล้วก็กลับแพ้แย่ไปด้วยความหวังทําให้ฤาษีชีภัย บำเพ็ญตบะทรมานกายแรมเดือนแรมปีด้วยหมายสวรรค์แต่ถ้าเข้าทางผิดก็ไพ่ไปในนรกหวังอย่างหนึ่งคนไพ่ไปเป็นอีกอย่างหนึ่งจึงเป็นอย่างที่เรียกว่าหวังลมหวังแรงโคศยาดาบทจึงเรียกอาสาว่าตัวโกหกพกลมฉะนั้นก็ขอให้เลิกหวังในสุธาโพธ์หาสมควรจะได้สุธาโพน์ไม่ไม่ยินดีจะให้ขอให้ไปเสเถิดเมื่ออาสาถูกวิจารณ์อย่างเสียหายทั้งถูกขับไล่ ก็อันตรธานวับไปในที่นั้นองค์ศรัทธานั้นศรัทธาก็คือศรัทธาความเชื่อทําให้คนพากันบริจาคทานรักษาศีลสํารวมอินทรีย์แต่บางทีก็ทําให้คนพากันลักขโมยพูดเท็จพูดซอเสียดคือเมื่อเชื่อถูกก็ชักพาให้ทําถูกเมื่อเชื่อผิดก็ชักให้ทําผิดเพราะใครจะทำอะไรก็มีความเชื่อนี่แหละชักไปทางนั้นเชื่อว่าทําอย่างนั้นดีจึงทําความเชื่อนี้ทําให้ยุ่งในครอบครัวก็ได้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 เมือ่อศรัทธาถูกวิจารณ์ว่าไม่ดีและถูกปฏิเสธเสียอีกก็อันตรธานวับไปในที่นั้นพระธิดาองค์ที่สุดคือเฮรีกคสยะได้บททักถามแล้วทราบว่พอใจในคุณของถือเพราะเฮรีก็คือเฮริความละอายบาปรังเกียรบาปเหมือนอย่างคนสะอาดรังเกียรสิ่งสปกปรกพระดาบทพอใจตั้งแต่เมื่อถึงวาระที่หันไปทักถามองค์เฮรีก็ไม่ร้องขอสุดทาพจนธเหมือนอย่างอีกสามองค์แรกจึงสมควรจะได้สุดทาโพโอธ เพราะว่าสุธาโภดน์นี้หาใช่เป็นสิ่งที่ใครๆจะได้ด้วยการขอไม่ข้อนี้เป็นธรรมเกี่ยวกับสุธาโพธ์พระดาบดได้กล่าวแก่องค์ีรีว่าขอบูชาเธอโดยสุธาโพธ์ทั้งหมดแล้วจึงจะฉันส่วนที่เหลือในภายหลังกล่าวแล้วได้ให้สุธาโพธ์แก่องค์ีรีเมื่อองค์ีรีได้รับสุธาโพน์แล้วก็รีบไปเฝ้าพระเทพบิดากราบทูในให้ทรงทราบท้าวสักกรินทระเทวราช ท, ทรงสมบนัตเทพทั้งปวงก็พากันยินดี ตั้งแต่นั้นมาเทพและมนุษย์ทั้งหลายก็าพากันนับถือบูชาฮิรีเทวีในฐานที่หิรีและโอตัปปะเป็นโลกบาลคือทําเป็นเครื่องคุ้มครองโลกฝ่ายพระอินทร์ได้ทรงส่งพระมาตาลีไปหาพระดาบดให้ถามว่าท่านเลือกให้แก่เทพกัญญาฮิรีเพราะเหตุใดพระมาตาลีได้ไปถามพระดาบดได้ตอบว่าท่านเห็นว่าสิรีหลอกแหลกศรัทธาไม่แน่อาสายิ่งโกหกพกลม ส่วนฮิรีมีคุณอันประเสริฐเช่นว่าสตรีภาพเมื่อทราบว่าตนมีจิตปฏิพัตธ์ในบุรุษย่อมห้ามจิตของตนไว้ได้ด้วยฮิรีมู่ชนผู้มีหน้าที่รบป้องกันรักษาประเทศชาติออกไปในสนามรบสับยุทธ์กับข้าศึก ด, ด้วยสอนหอกดาบและอาวุธต่างๆจะถอยหนีหรือยอมแพ้แต่ด้วยมีฮิรีในใจจึงเกิดละอายอดสูยอมสละชีวิตต่อสู้ไม่ยอมถอยจึงชนะข้าศึกรักษาประเทศชาติไว้ได้ฮิรี เป็นเครื่องห้ามคนชั่วเหมือนอย่างฝั่งเป็นเครื่องห้ามกำลังแห่งสาครพระอริยะทั้งหลายจึงบูชาฮิริในโลกขณะนั้นก็ได้ถึงกาลสิ้นอายุของโกศิยดาบทพระมาตาลีได้ชักชวนให้ทิ้งกายมนุษย์ไปเกิดเป็นสหายพระอินท์โกศิยดาบทได้เคลื่อนจากกายมนุษย์เกิดเป็นเทพ บ, บุตรโดยอุ ป, ปาติกะกำเนิดในทันใดนั้นพระมาตาลีได้นำเทพ บ, บุตรเกิดใหม่ไปฝ้าพระอินทเท้าวเธอได้ทอดพระเนตรเห็นก็มีพระหาฤทัยยินดี ประทานฮิริเทวีแก่เทพบุตรนั้นโกศยดาบทนี้ท่านได้เล่าไว้ว่าก่อนบวชเป็นเศรษฐีผู้ตรณีที่เหนียวนักหนาเป็นพายาสืบตระกูลมาจากพระอิน์เมื่อยังเป็นมนุษย์นั่นเองแต่เท้าเธอเมื่อเป็นมนุษย์ใจบุญสมทนยิ่งนักจึงได้ไปเกิดเป็นพระอินทครั้นเมื่อล่วงมาหลายชั่วคนจนถึงเศรษฐีเหนียวผู้นี้พระอินซ์ซอซองดูสายตระกูลของพระองค์ได้ทรงทราบจนกระทั่งว่าเศรษฐีนี้อยากบริโภคข้าปลายาศ แต่เกรงคนอื่นจะมาบริโภคด้วยจึงให้พระยาไปหลบห้งอยู่ในป่าไม่ให้ใครเห็นพระอินได้ไปทรมานด้วยพูดส ก, กิดใจให้ได้คิดจนเสร็จถีละความตรณีทำทานและออกบูดเป็นดาวดบทในที่สุดคำส ก, กิดใจของพระอินและเทพบริวารรวมอยู่ในหัวข้อว่ากินคนเดียวไม่ได้สุกล่าวเป็นโอวาทบ้างเปรียบเทียบบ้างเช่นว่ามีน้อยควรให้น้อยมีปานกลางให้ปานกลางมีมากให้มาก จะไม่ให้เลยไม่สมควรผู้ที่มีแขกนั่งอยู่ด้วยแต่ก็บริโภคคนเดียวจะทําการบูชา บ, บําบวงอะไรก็ไม่ได้ผลทางนั้นการที่บริโภคคนเดียวทั้งที่มีแขกนั่งอยู่ด้วยนั้นก็เหมือนอย่างกลืนเบ็ดนั่นแหละจึงควรที่จะให้ทานด้วยบริโภคด้วยกินคนเดียวจึงไม่ได้สุขเศรษฐีฟังไปฟังไปก็เกิดความเห็นตามไหว่ากินคนเดียวไม่เป็นสุขแน่เพราะคณะพระอินมานั่งพูดจี้ใจอยู่ทีแรกก็แสนรานําคาญ แต่เมื่อฟังไปคิดไปก็เห็นจริงจึงเริ่มแบ่งข้าไปย่ให้แก่คณะพระอินทเท้าเธอจึงแสดงพระองค์ว่าคือเท้าสักกะเทวราชและประธานอว่าแก่เศรษฐีให้บริจาคทานเป็นการทําทางสวรรค์เหมือนดั่งบรรพบุรุษในตระกูลของพระองค์ได้ปฏิบัติมาแล้วจิตใจของเศรษฐีเมื่อได้เริ่มเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปตรงกันข้ามทีเดียวเหมือนอย่างที่เรียกว่าจากหลังมือเป็นหน้ามือคือจากตรงหนีที่สุดเป็นกว้างที่สุด แต่ก็ยังไม่กิลนลักษณะของเศรษฐีคือการเลือกเฟ้นที่จะให้ซึ่งเป็นลักษณะ ส, สัพุริสถานในพระพุทธศาสนาเรื่องเท้าสกกะในชาดกนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นเทนิยายเปรียบเทียบธรรมคารเปรียบเทียบมีเหตุผลน่าฟังหรือมิเข้าเรื่องของเท้าสักกะตามกติความเชื่อเก่าแก่ซึ่งแสดงว่าผู้ที่จะไปเกิดเป็นเท้าสกกะนั้นไม่จําต้องไปเกิดจากมรดราขามมคธรัต์เป็นการผูกขาดแต่แห่งเดียวเหมือนอย่างมติของอัจฉริยบางคัมภี์ ไปเกิดจากรัฐไหนก็ได้ในเมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนในคุณสมบัติแห่งผู้ที่จะไปเกิดเป็นพระอินทร์และคําว่าพระอินทร์เป็นตําแหน่งซึ่งมีจุดติมีอุปบัติมาตั้งแต่กาวก่อนพุทธกาลเฉพาะในสมัยพุทธกาลนั้นพระอินทร์ไปเกิดในมะขะมานพชาวบ้านมจรขามมคทรัตเห็นพอจะเรียกว่าพระอินทร์รัชกาลปัจจุบันหรือในสมัยพุทธกาลได้พระอินทร์ในสมัยพุทธกาลซึ่งขึ้นไปเกิดจากชาติเป็นมะขะมานพนั้น จะเป็นองค์ที่ขึ้นไปเกิดยึพพินอสุรสร้างสวรรค์ชั้นดาวดิ่งขึ้นใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็น่าจะเป็นพระอินองค์ปฐมเทียบพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปราบดาพิเศษเป็นองค์ปฐมกษัตริย์ถ้าใช่ดังนั้นตั้งแต่สร้างสวรรค์ชั้นดาวดิ่งมาจนถึงสมัยพุทธกาลก็มีพระอินทเพียงองค์เดียวเรื่องพระอินในคตินี้จึงคล้ายกับเรื่องการตั้งวง์กษัตริย์ดังจะถูกเรื่องขึ้นเทียบว่ามีคนผู้หนึ่งเป็นคนฉลาดกล้าหาญมีอัตยาศัยดี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 ก็จะเห็นว่าพระอินท์นับว่าเป็นนักปกครองชั้งยอดกล้าหาญและฉลาดในการปกครองในคราสงครามก็ฉลาดเลือกธรรมมาอบรมปลูกใจเทพบริษัทให้กล้าหาญให้พินพยายามรุกเอาชนะให้จงได้แต่ครั้งได้ชัยชนะแล้วพระอินท์ได้อบรมให้มีขันติอดทนต่อพลุสวาร์ของเฉลยไม่โกรธตอบและตู้ตอบในคราวสงบก็ผูกมิตรกับศัตรูเก่าแต่ก็ไม่ไว้วางใจทีเดียว พอใจะะเถิดไปสทนาไปถามธรรมกับพระพุทธเจ้าบ้างพระสาวกบ้างฤาษีบ้างในบางครั้งบางคราวบางทีก็ชนศัตรูกเก่าซึ่งเป็นพ่อตาไปด้วยกันในขราวปากติก็พอใจอบรมเทพบริษัทธด้วยธรรมเช่นอบรมไม่ให้โกรธนอกจากนี้พระอินยังมีหน้าที่เกี่ยวกับมนุษย์โลกอีกมากดังที่กล่าวไว้ในคัมภีังต่างๆเช่นเตนมาดีพินสามสายแก่พระโพธิสัตว์เพื่อให้ทรงปฏิบัติในทางสายกลางต่อมาก็ได้มาฟ้องพระพุทธเจ้าอีกหลายคราว เมื่อนิพานก็ได้มากล่าวคถาแสดงธรรมสังเวตด้วยผู้หนึ่งและได้มาอัญเชิญพระเคี่ยวแก้วจากมวยผมของโทนพราหมขึ้นไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์จุรามณีเรื่องพระเจดีนี้ได้เล่ามาแล้วว่าเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันขณะจะทรงขนวดนั้นพระอินทร์ได้มารับขึ้นไปสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้มีทั้งปิ่นปักพระจุลาและเครื่องรัตจึงเรียกว่าพระเจดีย์จุรามณีนอกจากนี้ยังได้มาช่คนที่ตั้งอยู่ในธรรม ให้พ้นภัยจากฝ่ายอธรรมอยู่บ่อยๆได้มาช่วยยืนเฝ้าประตูกุฏิของพระเนมผู้กำลังบำเพ็ญสมณธรรมใกล้จะสำเร็จเพื่อป้องกันให้ใครเข้าไปทำอันตรายแก่ความสำเร็จน่าสังเกตว่าเทวดาชอบมาช่วยคนมีเพียรในเวลาที่ใกล้จะทำสำเร็จผลหน้าที่ของพระอินทร์ดูคล้ายเป็นโลกบาลได้อ่านหนังสือเรื่องเทวดาของพรามณเล่มหนึ่งกล่าวว่าพระอินทร์เป็นโลกบาลทิศบูรพาเป็นเจ้าของพวกพูด ตามที่กล่าวนี้ก็ไปตรงในสุธาโพชชาดกที่เล่ามาแล้วซึ่งกล่าวถึงพระอินว่าภูตาทิพแปลว่าเป็นใหญ่แห่งพวกพูดทิศตะวันออกนี้ถ้าโลกบาลมีชื่อว่าท่าตาละท่านว่าเป็นชื่อหนึ่งของพระอินทร์ด้วยเป็นเจ้าของคนทันก็ว่าเป็นเจ้าของพวกพูดก็ว่าเรื่องพระอินทร์มีอยู่ทั้งในกติพามทั้งในขติพุทธจึงน่าจะมีเล่าปะบนกันอยู่มากบางที่ศัพท์เดียวกันแต่ให้ความหมายต่างกันเช่นปรินททะ ซึ่งเป็นชื่อของพระอินท์ชื่อหนึ่งในสกสังยุตในพระตายปิฎกให้ความหมายว่าผู้ให้ทานในการก่อนแต่ในคำพีพระเวชของพราหมแปลว่าผู้ทลายเมืองป้อมหรือทลายป้อมจับได้ว่าเรื่องพระอินท์เป็นเรื่องเก่าแก่ทางพราหมก็จับมาเล่าพานานาไปตามลัทธิพราหมณ์ทางพุทธก็จับมาเล่าพานานาไปตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาใช้คําเดียวกันแต่ให้ความหมายไปคนละอย่างโปรดติดตามรับฟัง